นี่คือรายการเปิดธรรมที่ถูกปิดภาพออนไลน์ทางพิเออร์ธมา .com ก็มีข้าพเจ้าพระไพบูลกับคุณหมอรัตพงศ์มาพบกันอยู่เป็นประจำครับกลับนักการและสวัสดีท่านผู้ฟังครับกับผมธนพันธ์รัตพงศ์กนะวิรุลครับที่พูดว่าข้าพเจ้าเนี่ยเพราะว่าทางหลวงมาบางเนี่ยนะทางเมืองลาวเนี่ย่พระสงค์ก็ใช้แทนตัวเองว่าข้าพเจ้านะแต่มาก็ว่าดีมกันนะอื็ใครใช้อัตมา <laughs> เออใช่อา <laughs> อย่ะไรก็ตามก็จะเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังว่าได้มีโอกาสที่ ได้ไปหลวงพระบางเมื่อวันที่13ามพฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วก็ทางญาติโยมที่นู่นคือเนื่องจากว่าเขามานิมนต์คือเขามาที่วัดก่อนนะคือคุณโยมพ่อสิงแก้วกับคุณโยมแม่บุผาอคุณโยมแม่ปราณีนามสุลบุผาได้มาที่วัดเมื่อวันสุดท้ายของการหลีกเร่นข่าวที่แล้วคือวันที่6พฤษภาแล้วก็ได้พูดคุยกันก็เลยนิมนต์ไปที่หลวงพระบางในวันที่สิบสามแล้วก็ได้แสดงธรรมอยู่หลายชั่วโมงทีเดียวตั้งแต่8ปดโมงเช้าจนบ่ายสามโมง ครึ่งอครับอหลวงพ่อไม่ได้ลุกไปไหนเลยนั่งอยู่ที่เดียวห้องน้ําไม่ไปอะไรไม่ไปเลยเสร็จแล้วก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็เลยมีความทางญาติโยมทิ่นู้ก็มีความพอใจศรัทธามีความพอใจในการฟังธรรมะก็เลยจะยกขโยงกันมานั่งหลีกเล่นปฏิบัติธรรมแล้วก็เลยจัดคอร์สหลีกเล่นพิเศษให้ในวันที่ 17-25 นะช่วงนี้ก็ยังมีการหลีกเล่นอยู่ ครับในเดือนนี้ก็เลยมีรอบพิเศษขึ้นมารอบหนึ่งมากันเยอะไหมครับท่านอาจารย์ก็สามรถตู้นะสามรถตู้อแล้วก็สาิบกว่าคนใช่ประมาณสามสิบห้าคนอ่าสามสิบสามสิบห้าสามิเจ็ดคนแล้วก็มีรถตู้แล้วก็รถปีก้าอีกคันหนึ่งก็ปฏิบัติกันไปเนาะการเล่นครั้งนี้ก็มีความแตกต่างไปจากครั้งที่ผ่านๆมาอยู่พอสมควร แต่นะซึ่งปกติเราจะไม่รับคําถามนะ ค, คำถามก็ถามเฉพาะเรื่องการปฏิบัติแต่ตอนนี้เรามีแบบถามกันสดๆถามตอบเลยอย่างเี้ในในระหว่างการหลีกเรนนะ ค, คือตอนนี้ทั้งนั้นเนี่ยเพื่อให้เขาได้ประโยชน์สูงสุดในการฟังธรรมะนะครับอ่าเราก็จะได้มีการทําคําตอบคําถามด้วยคือเราก็เห็นว่าการถามตอบอยังไงมันก็ช่วยทําให้มีปัญญาที่ต้องมีในเบื้องต้นแห่งกา ร, ร, ป, รประพฤติปัญญาชนที่ยังไม่เคยได้ก็มีนันก็ก็ดีอยู่ ซึ่งอันนี้ก็เป็นองค์คุณที่ทําให้อถึงการบรรลุที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปได้ก็เลยตามตรงนี้ขึ้นมาซึ่งก็เป็นหลักสูตรเดียวนั่นแหละเป็นรอบเดียวที่มีการทําอย่างนี้ครับอ<ำ>แล้วก็จะสิ้นสุดในวันที่ยี้านี้ก็เลยเล่าให้ท่านทั้งหลายได้ฟังครับครับ <outright. S 2> ก็ต้องนุมวลธนากับท่านทั้งหลาย<ใ>นาุมวลสาธารุด้วยครับสพปลาวนะสาธารณนะรัฐประชาธิปไตยประชาะชนลาวแสดงว่าชาวลาวนี่ศรัธทธา พระสงฆ์ครูบาอาจารย์และก็คําสอนของพระพุทธเจ้ามากทีเดียวนะครับอืมอืแล้วก็คิดว่าคือที่ไหนที่มีมีภาษาอยู่นะอันนั้นที่นั่นก็สามารถที่จะมีคําสอนพระเจ้าได้คือคิดไมีได้ทุกที่อ่ะนะครับอทีนี้มาถึงเรื่องราวที่จะพูดคุยในวันนี้ครับอจะเล่าเรื่องให้ท่านผูฟ้ฟังฟังเกี่ยว ก, กับเรื่องการที่ได้อ่านหนังสือบาลีการเรียนบาลีเนี่ยนะครับ ก็ได้ศึกษาไปถึงตอนหนึ่งจังหวะเขามีเล่าเรื่องให้ฟังนะเรื่องตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เรามาในหนังสือธรรมบทนะทนะี่มีตอนหนึ่งที่สามเณรคนหนึ่งเนี่ยได้พาภิกษุที่ตาบอดเดินไปนะเพื่อจะกลับเมืองสาวัตถีนะระหว่างทางเนี่ยสามเณรก็จูงไม้เท้าของพระภิกษุรูปนี้ที่ตาบอดอยู่นะก็ปรากฏว่าเดินไปเดินไปเนี่ยก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องขึ้นมา คือไม่ได้ร้องให้ช่วยนะคือกําลังร้องเพลงอยู่นะหําเพลงอยู่แล้นะ <Okay. S 1> วผู้หญิงนี้ก็มาหาฟืนในป่านะสามณญ น, นี้ปรากฏว่าได้ฟังเสียงแล้วเนี่ยก็ถือเอาเสียงนั้นเนี่ยเป็นนิมิตนะเสียงนั้นเป็นนิมิตนะ <Okay. S 1> ทำให้เกิดความกําหนัดทราบสั้นขึ้นในกาย<ม>แล้วก็ศึกจากความเป็นสามัญ น, น์นะคื อ, อไม่สามารถ ค, ครองเพศสามัญ น, นยอยู่ได้เพราะอาศัยนิมิตนี้นั่นเองโอ้อาศัยนิมิตเนี่ยเป็นเครื่องหมายทําให้เกิดความกําหนัดขึ้นในจิต ข, ของตนครับนะเป็นอย่างนี้นะ อาศัยนิมิตนี้เป็นเครื่องหมายทําให้เกิดความกําหนัดขึ้นในสรีละว่ายางี้ mm hmm. นะพอเกิดความกําหนัดขึ้นแล้วก็ไม่สามารถที่จะรักษาพรหมจรรย์อยู่ได้ทีนี้พออรม า, มาอ่านถึงตรงนี้เราก็ลึกถึงทำให้เกิดวิญญาณอันเล่นไปตามความประลึกของเรานะไดะ้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาว่าสมัยก่อนเนี่ยตอนที่อรมาเป็นขราวาส น, นะนะเราก็ถือนิมิตในการกินข้าวเนี่ยคือนิมิตว่าอาหารหมดเมื่อไหร่คือนิมิตแห่งการเลิกกิน อ่าครับอคือไม่ใช่ว่าเอาท้องอิ่มนะเอาอาหารหมดอาหารหมดเมื่อไหร่แหมเราสบายใจแล้คราวนี้หยุดได้หยุดหยุดกินได้ครับนะซึ่งเป็นนิมิตที่ไม่ดีเข้าใจไหมครั บ, รบอ่าซึ่งนิมิตนิมิตเนี่ยหมายถึงเครื่องหมายแห่งการที่จะทําอะไรสักอย่างไดอย่างหนึ่งเจ่ะไหม ค, คือเดี๋ยวนี้พอมาเปิดเป็นพระแล้วมันก็มีกินเผาถ้าว่าจะกินอยู่ นะเอ๊ะกินแล้วกินยังไงถึงจะดีเอาผู้เช่าสอนนี้ก็คือรับรู้ที่เวทนาเพราะฉะนั้นนิมิตแห่งการที่จะหยุดกินสมัยนี้ปัจจุบันเนี่ยก็คืออยู่ที่เวทนาถ้าเวทนาดับปุ๊บก็หยุดปับ๊บอย่างนี้นะเวทนาดับก็คือหยุดกินรู้สึกอย่างนี้ไหมครับเริ่มรู้สึกอิ่ ม, ม, เ, ม, มวเวทนานี่คือความรู้สึกในกายนะว่าชอบชหรือไม่ชอบเวทนาคือความรู้สึกในกายที่อาจจะเป็นว่า อ, อิ่มหรือไม่อิ่มเนี่ยเป็นสัมผัสนะเป็นผัสสะ แต่ว่าภาษาอื่นๆที่นอกจากความรู้สึกอิ่มหรือไม่อิ่มเนี่ยมันมีอื่นๆอีกนะ<ม>คืออิ่มเนี่ยจริงๆเป็นสัญญาณที่เกิดมาจากผลของภาษาในที่นี้สัญญาณในร่างกายอื่นๆมันมีอย่างเช่นความไม่สบายกายนะที่เกิดจากการที่เราไม่เราทานอาหารประเภทที่ถูกต้องกับาธาตุของเราอย่างนี้ก็มีพอเวทนาเหล่านั้นดับไปเนี่ยเราก็คือหยุดนะหรือว่าจะเลือกรับประทานที่เหมาะสมกับาธาตุของเราเพื่อให้เวทนานั้นมันดับไป เนี่นี่คือคือประเด็นที่พูดถึงขึ้นมามทำให้ไปคิดถึงเรื่องนิมิตเนี่ยหมอลคะคงว่านิมิตเนี่ยของคนบางคนเนี่ยอย่างสมมุติเราเราอบอกงานเข้าไปให้คุณทำอย่างสมมติมีคนงานก่อสร้างมาทำงานอย่างเงี้ย ค, คนหนึ่งเนี่ยพออธิบายงานให้เขาทำแบบหนึง่งเนี่ยสมมติอย่างเช่นว่ า, าปลูกต้นไม้นะปลูกต้นไม้เอาดินใส่ทางแล้วก็เอาต้นไม้ใส่ลดนาว่างต่าง นะคนแรกเนี่ยถือนิมิตในการที่จะเลิกงานเนี่ยคือตอนเที่ยงตอนเที่ยงพักเลยครับนะเวลาเป๊ะในเวลาเป๊ะใช้ใช้เวลาเนี่ยเป็นนิมิตนะใช้นาฬิกาของตัวเองเป็นนิมิตหรือว่าใช้เวลาเลิกงานประมาณห้าโมปุ๊บเลิกทันทีอย่างเงี้ยนะแล้วนะส่วนอีกคนหนึ่งใช้นิมิตของการที่งานเสร็จเป็นส่วนๆ น, นะคือนิมิตที่เกิดขึ้นตรงเนี้ยอยู่ที่เขาเลือกใช้เขาเองอยู่ที่เราเลือกใช้เองไอ้คำแนะนํำแรงต่างเราก็ให้ไปหมดแล้วนะเพียงแต่ว่าคุณจะเลือกนิมิต ในการที่จะเป็นเครื่องหมายของการหยุดงานเนี่ยเอาอะไรเป็นเครื่องหมายในการหยุดงานนะถ้า<ม>คนที่ไม่สามารถเลือกได้นะคุณก็จะเอาเลือกอะไรอะ่ะสมมติคุณจะเลือกเอาเวลาหรือคุณจะเลือกเวลาตามความ เ, าเรารู้สึกเหนื่อยเราก็หยุดอย่างเงี้ยครับแต่ในขณะที่คนที่เขาดีๆเนี่ยนะคนที่เขามีความเพียรมีกําลังเนี่ยเขาก็จะเลือกเอานิมิตในจุดทีเ่เขาทํางานเสร็จ หลักคร็นเกณฑ์ในการที่จะเกินเวลาที่กําหนดไว้ใช่ใเพราะฉะนั้นถ้าเรามีลูกน้องอย่างนี้เราต้องสอนในเรื่องของนิมิตในพระเจ้าสอนเรื่องนิมิตว่าอย่างไรพระเจ้าสอนเรื่องนิมิตเนี่ยคือเครื่องหมายเนี่ยบอกว่าพูดอยู่2องสามเนืะอแนเนยะแรกเนี่ยบอกถึงว่าความที่เราจะต้องมีเป็นผู้ฉลาดในนิมิตแห่งจิตของตนนั้นคือฉลาดในนิมิตแห่งจิตของตนเนี่ยหมายความว่าเออจิตเราดีจิตเราไม่ดีเราต้องรู้นะอันนี้อันที่1 แปร<ค>เปรียบเส ม, มือนกับวัยรุ่นที่เขาส่องดูหน้าในกระจกของตัวเองถ้ามีสิวก็รีบบีบออก<ม>นะไม่ใช่อันนั้นคือเรื่องของการฉลาดในวาราจิตแห่งตนนะที่ว่าฉลาดในนิมิตแห่งจิตของตนเนี่ยคือหมายความว่านิมิตอย่างนี้ทําให้จิตเราเป็นอย่างนี้นิมิตอย่างนั้นทําให้จิตเราเป็นอย่างนั้นอันนี้เราต้องฉลาดเข้าใจนะคือหมายความว่าพอเราคิดถึงเรื่องนี้ปุ๊บจิตเราเป็นอย่างนี้คิดถึงเรื่องหนึ่งจิตเราเป็นอย่างนีงอันนี้เราต้องฉลาดในเรื่องนี้นะอันที่สองพูดถึงนิมิตว่านิมิตเนี่ยถ้าเราจิตเราไม่ดี นะเราก็ตั้งไว้ซึ่งนิมิตในความเลื่อมสายอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นคือหมายความว่าพอเราเป็นผู้ฉลาดในประิตของตัวเองนะและเราฉลาดในนิมิตแห่งจิตของเรานะแล้วพอเรารู้ว่าไอ้จิตของฉันมันบ้าแล้วมันไม่ดีแล้วมันไม่ถูกแล้วคุณเอาตั้งจิตของคุณมาเอาไว้ซึ่งนิมิตแห่งความเลื่อมสายอย่างใดอย่างหนึ่งนะซึ่งนิมิตตรงนี้เป็นเครื่องหมายเหมือนกับแ n งเกอร์แองเถ้าพูดก็คือสมอ มสมอง<ม>ของเรือนะมันจะเกี่ยวไว้ให้เรือเนี่ยมันอยู่ใ น, นตำแหน่งที่เดียวกัน เ, เพราะฉะนั้นแองเกอร์ของจิตสมองของจิตนะนั่นัคือ itz, นิมิตนัเป็นเครื่องหมายให้จิตคิดว่าอย่างไรนะให้จิตมีแนวโน้งไปทางไหนออื่าทีนี้ประเด็นที่จะพูดถึงต่อไปก็คือว่าพอจิตเราตั้งไว้ในนิมิตอันใดอันหนึ่งเรียบร้อยแล้วจิต เ, เริ่มสายแล้วคลายความที่เป็นอคุสรทำแล้วเนะช่นความหมงุดหงิดหรือว่าความฟุ้งซ่านหรือว่าความหดหู่นะคลายไปแล้ว ก็นิมิตนั้นสำเร็จประโยชน์แล้วก็ละนิมิตนั้นเสียนะพูดไว้ถึง3จุดตรงนี้นะสามอีกครั้งหนึ่งเรื่องแรกก็คือว่าให้เป็นผู้ฉลาดในนิมิตแห่งจิตของตนนะเรื่องที่สองคือให้เป็นผู้ที่รู้ว่านิมิตอย่างนี้นะจิตเราเราดีไหมเราไม่ดีก็ให้ส่งไว้ซึ่งนิมิตเป็นที่ตั้แห่งความเลื่อมใสอย่างที่3คือถ้าสำเร็จประโยชน์แล้วก็ละทิ้งมันไปซะ ไม่ต้องยึดถือมัอ น, นใช่3ามประเด็นเนี้ยที่จะพูดให้ฟังเนี้ยก็เพื่อที่จะนําไปสู่ประเด็นที่ว่ า, าบางคนเนี่ยไปถือนิมิตที่เป็นลักษณะของความเชื่อทางที่เราบอกบอกกันมานะเช่นชว่าก่อนออกจากบ้านจิงจกทักเอาละเริ่มไม่ดีละอย่างี้รหรือว่าเวลาที่ตาซ้ายกระตุกหรือตาขวากระตุกเริ่มมีรางไม่ดีละรนะหรือบางคนบอกว่าจะไม่เก็บไม้ประเภทนี้ไม้ประเภทใดเภทหนึ่งเอาไว้ในบ้านอย่างนี้นะก็เริ่มเป็นรางไม่ดีละ หรือบางทีบางคนเห็นว่าอาถ้า เ, าเวลาจะเขาเลรลดน้ําสังอย่างเงี้ยลดน้ําสังต้องใช้ใบประเภทนี้ใบประเภทนั้นใช้ไม่ได้อย่างนี้นะเอเวลาที่เขาผ ส, สมในน้ํามันนะอืมหรือบางคนมีเคล็ดว่าอาห้ามกวาดบ้านมันตรุดจีนอย่างนี้นะออออืมหรือต้องใส่ห้ามใส่เสื้อสีดําในเวลานี้ต้องใส่เสื้อสีแดงเท่านั้นอย่างนี้นะอันนี้เป็นนิมิตตั้งสิ้นเลยหมอทุกทวงเป็นนิมิตเพราะอะไรเพราะว่า เราพอเราเราตั้งเป็นเครื่องหมายขึ้นมาว่าเออจะทําให้จิตของเราเป็นกุศลหรือไม่เป็นกุศลนะเราจึงสร้างนิมิตเหล่านั้นขึ้นมาแต่บางคนมีความเชื่อว่าเอ้ถ้ากินข้าวไม่หมดนะจะเป็นสิวเท่าเม็ดข้าวอย่างนี้นะอันนี้ก็เป็นลิมิตของเขาเนี่ที่ทำให้เขามีความคิดอย่างนี้นะคือนิมิตเป็นเครื่องหมายใช่ไหมทําให้มีจิตเนี่ยทรงไว้ในลักษณะไหนอ่าเพราะฉะนั้นถ้าเราจะแบ่งเนี่ยบอกว่าเอาการกวาดบ้าน แต่เป็นนิมิตหมายที่ไม่ดีในวันอื่นๆในวันตุจีนเป็นต้นนะหรือว่าถ้าตาขวาขวาร้ายใช้ดีตาขวากระตกนี่อ้าวคุณเป็นแต่นี่เลยเป็นโชคไม่ดีรละนะหรือบางคนนี่เขามีอะไรเกคิงเกควีนเนี่ยผู้ชายต้องใส่ต้าหูใช่ไหมครับเอขวามันคิงหรือควีนอะไรก็มาก็ไม่ทราบนะไม่ทราบอันนี้เขาก็จะเป็นเครื่องหมายที่เขาบ่งบอกอะอันนี้คิงอันนี้ควีนเป็นสัญลักษณ์เป็นสัญลักษณ์ของเขานี่เป็นนิมิตทั้งสิ้นเลยอ่านี่เป็นนิมิตทั้งสิ้นเลย ครับทีนี้ไอ้พวกนิมิตตรงนี้เนี่ยถามว่าผู้รู้ชาให้พูดถึงสามอย่างที่เราพูดมาเมื่อสักครู่นะเพราะฉะนั้นถามว่าคุณใช้นิมิตยังไง่าใช้นิมิตยังไงซึ่งซึ่งส่วนใหญ่คนที่พอมาศึกษาพระวิชชาเนี่ยเขาก็จะโยนทิ้งนิมิตทั้งหมดแต่ถามว่าผู้รู้ชาวเขาให้ใช้เหมือนกันนะคือใช้ในกรณีที่ว่าจิตเราเราเราแบบว่าบ้าบ้าบ้าขึ้นมาใช่ไหฟุ้งซ่านขึ้นมาหรือว่าเป็นจิตที่แบบว่าโหดหูฟุ้งซ่านอะไรอย่างนี้เราใช้นิมิตได้ครับ ซึ่งก็เราจะต้องควรจะต้องเลือกมาใช้ให้ให้ถูกคือคือบางคนเนี่ยพอเจอนิมิตเหล่านี้แล้วก็ก็จิตก็เปลี่ยนแปลงไปตามนิมิตที่มากระทบครับแต่สิ่งที่ดีที่ผู้เจ้าให้ให้ใช้เนี่ยก็คือว่าแทนที่เราจะเปลี่ยนจิตของเราไปตามนิมิตที่มากระทบใช่ไหมเราก็เปลี่ยนจิตของเราโดยไม่ต้องมีนิมิตได้ไหมอืมเดี๋ยวฉันกว่าเดี๋วยวฉันไหวพอตาซ้ายกระตุกปุ๊บหรือาตาขวากระตุกปุ๊บเฮ้ยมันจะเป็นเรื่องไม่ดีละ ในขณะที่เราพูดกับไอ้คนนี้กํากำลังจะตัดสินใจเรื่องนี้เกิดตาขวาก็ตดกขึ้นตึกต๊กต๊กตต๊อายาสงสัยจะไม่ค่อยดีละทำยังไง<ช>ดีนะคือเรื่องนิเมิดเนี่ยผู้เชา่าเคย อ, อ, อ, อีกประเด็นที่จะต้องเพิ่มเติมเพื่อให้การวิเคราะห์ของเราชัดเจนขึ้นนะก็<ช>คือว่าพูดถึงกุศลธรรมและอกุศลธรรม<ช>นะ<ช>ถ้าเผื่อว่าเราเสพสิ่งใดทาสิ่งใดอยู่เนี่ยถ้าอากุศลธรรมมันเกิดนะเลิกทอย่าทำ แต่ถ้าเสพสิ่งใดทําสิ่งใดครบกับคนนี้แล้วกุศละทําเกิดให้ครบให้ทําให้เสพให้ได้ให้ทําให้เกิดขึ้นครับนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเสพนิมิตแล้วนิมิตนี้แล้วปรากฏว่าจิตของเราตั้งอยู่ในแดอนอกุศลโอย้ยงั้นคุณอย่าทําำ ค, คุณอย่าไปทนะํานิมิตนั้นละทิ้งเลยใช่นะในขณะเดียวกันถ้าคุณเสพนิมิตนี้แล้วนิมิตนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่เสพที่ทรงไว้ที่ตั้งได้นะแล้วปรากฏว่าจิตของเราเป็นกุศลคุณก็ทําได้อืมครับแล้วเข้าใจเนาะ ทีนี้ว่าไอ้เรื่องของจิตที่เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเนี่ยมันเป็นผลมาจากนิมิตที่เกิดขึ้นนะครับอ่าทีนี้คนเขาเชื่อกันยังไงนะเขาบอกว่าถ้าใส่ชุดดาไปงานแต่งงานนี่คุณเป็นอวบมงคลคุณจะทำทําให้คนอื่นเนี่ยสมมุติคนอื่นนะคนอื่นนะเขาก็จะคิดว่าเสื้อดําเป็นนิมิตใช่ไหมทําให้จิตของเขาเป็นอกุศลในการที่จะคิดว่าเป็นอวบมงคลอะไรต่างๆนะตรงเนี้ยจึงเป็นเป็นเรื่องของนิมิตที่ทําให้เป็นอกุศลหรือเป็นกุศลเกิดขึ้นในจิตครับนะ ทีนี้เราก็จะต้องมามองต่อว่าอาที่เขาใส่เสื้อดําเพราะอะไรนะหรือว่ามีเหตุอะไรเราจะทำยังไงให้จิตของเราเป็นกุศลได้ไหมโดยที่นิมิตนั้นไม่มีผลต่อ ต, ตัวเราเนะเพราะว่าน mm ิมิตเนี่ยบางทีเราควบคุมไม่ได้นะครับอย่างบางคนที่เขาเป็นโรคตา ก, กระตุกอะโรคพากิสันอย่างเงี้ย mm hmm. มันจะกระตุก mm hmm. ท้องไหนเนี่ยโอโ้โหมันกระตุกทักงตัวเลยนะหนังก็กระตุกขาก็กระตุกแขนก็กระตุกกระตุกทั้งตัวแล้วที่ฉันว่านิมิตอะไรเนี่ยมันจะเริ่มจะเริ่มแบบไปกันคนละเรื่องแล้ว เพราะฉะนั้นแทนที่เราจะไปควบคุมนิมิต เ, เนี่ยเราควบคุมจิตของเราได้ไหมนะให้ตั้งอยู่ในกุศลหรือให้ตั้งอยู่ในอกุศลไม่ให้ตั้งอยู่ในอกุศลออันนี้คือประเด็นที่สําคัญกว่านะจริงครับคือแทนที่เราจะเปลี่ยนนิมิตให้จิตของเราเนี่ยอไปมีกุศลหรือไม่ไม่มีอกุศลเนี่ยทําไมเราไม่ละอกุศลไปเลยนี่คือประเด็นที่อาจารย์มาต้องการพูดนะ <ưng S 2> คือครเราละอกุศลไปเลยนะีะให้จิตของเราเนี่ยส่งอยู่ในกุศลตลอดครับอย่างเงี้ยบางคนคิดว่า แผ่นดินไหวนี่เป็นเรื่องไม่ดีแต่ทําไมพระพุทธเจ้าประสูดแผ่นดินไหวอ่ะมันก็จะเหมาว่าไอ้แผ่นดินไหวเป็นเรื่องไม่ดีหมดไม่ได้เหมือนกันนะโลกธาตุสันสะเทือนเออเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะเปลี่ยนเปลี่ยนนิมิตให้มาสอดคล้องกับจิตของเราว่าเป็นกุศลหรืออกุศลตามที่ชาวบ้านเขาพูดกันเลิกไปเลยเราเปลี่ยนจิตของเราเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งนิมิตได้ไหมนี่คือประเด็นนะครับ เพราะฉะนั้น ถ, ถ้าเราสามารถเปลี่ยนจิตของเราให้ตั้งอยู่ในกุศลหรือละกุศลได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งนิมิตอันนี้ดีที่สุดอันนี้คือระดับสามที่พระเจ้าพูดถึงว่าเออนิมิตพอจิตเราเป็นกุศ ล, ลแล้วก็ละนิมิต น, นะจ๊ะจริงครับทีนี้เรื่องนี้มันสามารถอธิบายเรื่องของพวกรูปเคารพพระเครื่องหรือว่าพระพุทธรูปพวกนี้ได้ทั้งหมดเลยครนะคือว่า อ, อย่างพระพุทธรูปอย่างเงี้ยบางคนเห็นบางคนก็จะมีความคิดเห็นว่าเอ้ยอันนี้เป็นแค่ธาตุดิน นะอย่าไปเคารพเขาไม่ใช่พุทธเจ้าจริง น, นี่ก็มีพวกที่เห็นอย่างนี้อยู่ในอีกพวกหนึ่งก็เห็นบอกไม่ใช่อันนี้เป็นพุทธเจ้านะเป็นตัวแทนพระพุทธเจ้านะเราต้องเคารพนับถือสีต้องกราดต้องไหวอันนี้ก็มีเห็นอีกพวกหนึ่งทีนี้ถามว่าแล้วที่ถูกตามหลักพุทธวจนะเนี่ยเราควรจะทํำยังไงอยังไงครับก็คือเรากำลังพูดถึงเรื่องนี้มินี้อยู่พอดนะีถามว่าคุณเห็นเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยแล้วคุณจะระลึกถึงพระพุทธเจ้านะทำจิตที่เป็นกุศลธรรมให้เกิดขึ้นการระตึงาน่กุธรรมถ ใช่ไห ม, มพอเรานึกถึงผู้ชาติเนี่ยเป็นกุศลธรรมแล้วเนี่ยทำํทำไมเราจะทําไมเราจะทําไม่ได้คือหมายความว่า air, มันก็เป็นสิ่งดีนะใช่คร่อะอย่างไรก็ตามขั้นที่2ก็คือว่าถ้าเราถ้าเราจิตของเราไม่ดีเนี่ยเรานึกถึงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ทําให้เรานึกถึงผู้ชาติขึ้นมาเนี่ยเป็นนิมิตของการระลึกถึงผู้ชาติเนี่ยเป็นสิ่งดีแต่พอเราจิตของเราตั้งอยู่ในการระลึกถึงพระผู้เจ้าแล้วเนี่ยมีพุทธคุณเขาเรียกมีพุทธานุสตินี้แล้วเนี่ยเราก็ละนิมิตนั้นเสียครับอย่างนี้นะ เพราะนั้นถามว่าคุณจะเห็นอะไรได้บ้างที่ทําให้คุณนึกถึงพ ร, ระพุทธเจ้าหล่ะพระพุทธรูปพระพุทธรูปนี่ก็อย่างหนึ่งบางคนเห็นนะ บ, บางคนเห็นต้นโพ ต, ต้นโพต้นโพก็ได้บางคนเห็นปากกาปากกาที่ทําให้ฉันนึกถึงพระพุทธรูปได้เพราะอะไรมันมีสีแดงสีแดงก็นึกถึงหนังเอ็นกระดูก ข, ของพระพุทธเจ้าโอ้โอก็เลยเป็นความซาบซึ้งขึ้นมาอันหนึ่งอันนี้ก็ได้นะอยู่ที่คนนะอยู่ที่คนใช่ถูกอืมเพราะนั้นถามว่าคุณจะใช้นิมิตอะไรล่ะ นะนนนทีนี้ไอ้ที่มันจันเลยเถิดไปเนี่ยก็คือว่าโอ้พระพุทธรูปนะปรางนี้พิมพ์นี้แบบนี้ปอสศอนี้นะั้นเนื้อวัสดุนี้เนื้อทองดีกว่าเนื้อโลหะเนื้อวัโลหะเนืองอันนี้คนละเรื่องละอันนี้คือเลยเถิดไปแล้วอันนี้จะเป็นวัตตโกตูหิลามงคลแล้วเข้าวไข่แล้วครับเนือ่องว่าเครื่องราง ข, งของขลังนี้เป็นเข้าวไขวัตตโกตูหิลามงคลต้องพูดให้ชัดเจนนะว่าคุณอาศัยเป็นอะไรคุณอาศัยเป็นนิมิตหรือคุณอาศัยเป็นเป็นอะไร แต่ถ้าคุณอาศัยเป็นนิมิตเพื่อให้จิตของคุณเป็นกุศลก็คือพอแค่นั้นจบแต<อ>่ถ้าคุณเลยเถิดไปถึงว่ามันเป็นอะไรมันเป็นอะไรมันมาทํามาจากอะไรขายกันทําร า, ราคาเท่านั้นเท่านี้อันนี้คือเลยเถิดไปแล้วครับคือคือบนทีมันเส้นบางๆนิดเดียวนะมาแล้วผมใช่ครับใช่ครับคือคือพอเรามารู้ตรงนี้เนี่ยแมมเราจะสบายใจมากเลยเขาด่ากันนี่เราไม่มีปัญหาเลยใครเจ้ากราบใครจะไหว้ใครจะไม่ไหว้เราไม่มีปัญหาเลยครับแตเพราะว่าคนที่รู้วิธีการทําจิตเนี่ย คุณจะมีความยืดหยุ่นมากเอาไม่ไว่ายใช่ไหมฉันก็ไม่ไว่ายกันแต่เพราะฉันก็ทําจิตให้ราเลื่ถึงพระพุทธเจ้าอยู่ได้โดยที่ไม่ต้อง<ม>พึ่งวัตถุใดๆไม่ต้องพื้นนี้มิดใดๆแต่ถ้าคุณจะไหว้กันเอาฉันก็รู้วิธีทำจิตว่าเอาฉันจะต้องนึกถึงพระพุทธเจ้าอย่างไงไม่เลยเถอเป็นถึงขนาดที่ว่ า, าต้องอะไรนะเป็นบางนี้เป็นพ ร, พรูปประจําวันนี้หรือเป็นพระพุทธรูปที่เป็นทรงนี้มาในสมัยโน้นศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้ศักดิ์สิทธิ์อย่างนั้นนี่คนละเรื่องไปแล้ว เ, เพราะอะไรเพราะอะไรถึงบอกว่าเป็นวัตถโกตูหีละมงคลในบางส่วนเพราะว่ามงคลที่บูชาบอกเนี่ยคือการบูชาเนี่ยเป็นมงคลการบูชาบุคคลที่คุณบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่งใช่มใช่ครับทีนี้ถามว่าวัตถุรูปแบบคุณบูชาแล้วแล้ ว, แ ล, วแล้วเป็นมงคลไหมก็ถ้าระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็จะเป็นมงคลทีนี้ก็ได้เป็นมงคลทีนี้ถ้าคุณบูชาเพื่อที่จะหวังว่าเออให้สิ่งนี้ประทานพรให้เราอันนี้คนละเรื่องแล้วไม่ใช่ละเป็นวัตถโกตูหีละมงคลแน่นอนครับ คือหวังว่าสิ่งนั้นจะทําอะไรให้เราได้แต่สิ่งที่พู้เช้าสอนคือเรื่องของกรรมรว่าตโกตุยระมงคลเนี่ยตรงกันข้ามกับกรรมคือคบคุบคคลไม่เชื่อม ง, มงคลที่มงคลตื่นข่าวใช่ไหมแต่มาเชื่อเรื่องผลของกรรมคือการกระทําในจิตของเราคือเจตนาของเราถ้าเรามีเจตนาในการที่จะระลึกถึงพระพุทธธรรมประสงค์อันนี้แหละจะเป็นกรรมในการที่จะกระทําให้เรารอดพ้นหรือว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตของเรา นัไม่ใช่เป็นการที่ประทานมาจากสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งนนทะ์ซึ่งถ้าเราคิดว่าบูชาเพื่อที่หวังว่าเขาจะประทานอะไรให้เรานะอันนี้ชื่อว่าเป็นวัตถโกตุยละมโมกละอขอรุ่นขอนี่กับพระนะครับใช่เพราะฉะนั้นการบูชานพระพุทธ ร, รูปหรือพระสงฆ์ก็ตามการบูชาตรงนี้เพื่อที่จะสร้างบุญของเราเพื่อที่จะให้บุญของเราเนสนับสนุนในการที่ชีวิตของเราจะดีขึ้นอันนี้มีเหตุผลถูกต้องอนนในขณะที่เราการถ้าคุณไปกราบพระมับมับมบจิตใจคุณคิดว่าโอ้ขอให้ สิ่งนี้ปรากฏสิ่งนี้ปรากฏสอบผานโดยที่ไม่อ่านหนังสืออ่านนิวัตโกตุหิลมงคลแล้วเพราะการการคนสองคนไปกราบพระพุทธรูปพร้อมๆกันจะกราบหรือไม่กราบเอากราบก่อนก็ได้นักราบสองคนคนหนึ่งทําจิตแบบว่าเราเลิกถึงคุณพระพุทธธรรมประสงค์นะทําจิตที่เป็นกุศลธรรมให้เกิดขึ้นเชื่อในเรื่องผลของกรรมว่าเออฉันทําดีได้ดีอันนี้คุณกราบเนี่ยมีมีเหตุผลเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นการบูชาที่ดีนะแต่ในอีกขณะหนึ่งคนที่คนที่สองกราบนะกราบด้วยการบูชาว่าเออขอให้ เทพเจ้าแห่งพระพุทธรูปองค์นี้ประทานพอให้ชั้นสอบผ่านมีเงินรวยมีแฟนสวยมีโชคลาภอะไรต่าง <c oughs> อันนี้วัตตโกตุวเแล้วมงคลละเพราะว่าเขาไม่ได้หวังพึ่งกรรมแต่ <c oughs> <ช>แต่หวังพึ่งสิ่งที่คนอื่นเขาเอามาให้ <c oughs> อืนะท <c oughs> ่าทางอย่างเดียวกันพระพุทธรูปองค์เดียวกันแต่ทำจิตไม่เหมือนกันที่คนละเรื่องเลยใช่ครับบางมากแล้วบางมากแล้วหมอครับใช่ครับล็กซึ้งมากนะครับเรียนมากเลยจะจะสิ่งที่เราต้องปาดออกนี่คือวัตโกตุวเแล้วมงคลนะ สิ่งที่เราต้องทําให้มีเนี่ยคือเชื่อเรื่องผลของกรรมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราวิเคราะห์ตรงนี้แล้วเนี่ยแม่เราจะสบายใจมากเลยว่าใครจะทำยังไงในโลกนี้ก็ไม่มีปัญหาเลยนะคุณจะไม่กราบหรอกคุณไม่กราบใช่ไหมคุณยืนเฉยๆกรณีที่หนึ่งสมมติไม่กราบนะออกกรณีไม่กราบนะคนที่ไม่กราบเนี่ยยืนอยู่เฉยๆนะแต่คิดว่าเพระพรูปนี้เป็นอิฐหินปูนทรายนะเราไม่ได้กราบก็ได้แต่เราทําใจให้เรานึกถึงพระพุทธเจ้าได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งนิมิตอันนี้ดีนะในขณะสุดโต้อีกข้างนึง อันนี้ดีนะสุดโต่งอีกข้างหนึ่งคือคุณบอกว่าโอ๊ยฉันไม่กราบหรอกเพราะว่าอันนี้เป็นปะพุตโรนะเป็นเป็นเหมือนกับอิฐหินปูนทรายฉันไม่กราบแล้วก็ด่าคนอื่นด้วยนะถ้า ถ, ถ้าคุณเริ่มด่าคนอื่นนี่คุณเริ่มออกจากมากรรคบอ่าเริ่มด่าคนอื่นเริ่มว่าเขาไม่ดีเริ่มว่าเขาเสี ย, สยหายนี่เริ่มออกจากมรรคนี่ก็จะไม่ถูกแล้วนะคือยืนเหมือนกันนะไม่ได้กราบเหมือนกันแต่คนหนึ่งทรงจิตไว้ถูกด้วยการระลึกถึงพระพุทธเจ้าในคนหนึ่งทรงจิตไว้ไม่ถูกด้วยการด่าคนอออืืื่่่นนนนนนคไไมมมกกกรราาบบะะีเหั เข้าใจไหมหมาละพงเพราะนั้นจะกราบหรือจะไม่กราบเนี่ยถ้าเราทรงจิตไว้ถูกเราไม่มีปัญหาเลยใช่ครับอ่านี่นี่เป็นเรื่องที่เนียนมากนี่คือเรื่องวัตโตโกตุยละมงคลนะกับเรื่องของการเชื่อเรื่องผลของกรรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนิมิตอืมครับอ่าทีนี้ประเด็นก็คือที่ต้องานจะพูดก็คือว่าเราเปลี่ยนจิตของเราได้นะเราเลือกที่จะทําจิตได้ นะตรงนี้แหละคือเวลาที่เราจะต้องฝึกจิตให้จิตขอเรามีกําลังในการที่จะเลือกได้แล้วในเรื่องของมงคลเนี่ยมงคลที่พุทธเจ้าบอกว่าเป็นมงคลในการบูชาบุคคลที่คุณพุทาเป็นมงคลเนี่ยนะครับ เ, เราก็จะขอพูดถึงเรื่องวัตถุมงคลสะหน่อยหนึ่งอน <ะ S 2> อย่างเรื่องวัตถุมงคลเป็นรูปเหรียญรูปเคารพอ ย, อย่างเงี้ยถ้าเราจะอาศัยรูปเหรียญสมมุติว่าเราเราจะนึกถึงพ่อแม่เนี่ยวันรุ่งจะนึกถึงพ่อแม่นึกถึงไง นึกถึงคุณความดีที่ท่านเล้งดูเรามาหมายถึงว่าจะใช้นิมิตอะไรอ๋อนึกถึงความคิดเลยฮะรูปหน้าท่านอรูปหน้าท่านถูกไหมทีนี้รูปหน้าท่านเนี่ยมันก็อยู่ในความจําเราถูกไหมว่าท่านมีหน้าอย่างนี้มีตาสองตามีจมูกหนึ่งนะจอ้โหนี่มีสองรูด้วยแล้วมีปากแล้วก็นึกถึงท่านด้วยอาการอย่างนี้ครับทีนี้ถามว่าเอแล้วใช้รูปได้ไหมรูปถ่ายได้ครับรูปถ่ายได้ใช่ไหม ใช่ครับทีนี้ถามว่าถ้าใช้รูปถ่ายเพื่อเป็นนิมิตในการที่จะระลึกถึงคุณมารดาบิดาของเราคือคือมันเป็นขั้นตอนอย่างนี้ก่อนนะใช้รูปถ่ายเพื่อนึกถึงหน้าท่านนึกถึงหน้าท่านเสร็จแล้วก็นึกถึงกิจกรรมที่เราเคยทํานึกถึงกิจกรรมที่เราเคยทำทำให้นึกถึงคุณธรรมที่ท่านเคยมีกับเรานวันที้เราบูชาท่านได้สมควรดีอยู่ถูกไหมครับทีบนี้ถามว่าถ้ารูปเคารพนั้นเนี่ยรูปรูปถ่ายเนี่ยแปลงเป็นรูปที่แกะสลักบนฝ า, นฝาผานังได้มครัเป็นกระเบื้องแกะสลักนะหรือว่าเป็นภาพเขียนก็ได้นะครับ ถูั้ถ้าเป็นภาพเขียนเนี่ยเอาเป็นรูปที่บนบนเหรียญได้ไหมนบนเหรียญแล้วมาให้คอเป็นล็อกเกตอย่างเงี้ยนะนก็ได้เหมือนกันนะถูกไหมไมันก็จะเป็นเกณฑ์เดียวกันถูกไหมแล้วถ้าบผกว่าเอาเป็นแบบปั๊มนูนขึ้นมาแล้วก็เป็นเหรียญเหมือ น, นพักเครื่องเลยแต่เป็นรูปหน้าท่านอย่างเงี้ยก็ได้นะก็จะเป็นลักษณะเดียวกันนะทีนี้มันมันจะเริ่มหนักไปเรื่อยๆนะแล้วก็จะบอกว่าเอามีพิมพ์นี้ใส่หมวกแบบนี้พอสอนี้ใส่เสื้อองค์อย่งนี้มันจะไปเรื่อยๆแล้วนะ เ, เริ่มเด็ด ก, กา ร, รมสมมุติม า, เ, เ, าเรื่อยเรื่อยคืออย่างอย่างของอทุกวันนี้เนี่ยก็จะมีพระพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กพศนั้นพศนี้จกกักรุนั้นกรุนี้นะปรางนั้นปรางนี้พระปิดตาพระลืมตาอะไรตานี่ไปไปเรื่อยเลวนะถามว่าจุดจุดที่จะแบ่งเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเออตรงไหนครับตรงไหนหมอรัตพงศ์ว่าตรงไหนน่าจะเป็นเรื่องของการกําหนดในจิตใช่มันขึ้นในจิตของเราทั้งนั้นเลย รนะเรื่องภายนอกนี่ก็ก็ส่วนหนึ่งของเรื่องของเ ข, งขาไปนะที่พอจะแบ่งๆดูๆกันได้ก็คือแค่ว่าเสมมติคุณมีรูปของหลวงพ่อองค์ใดองค์หนึ่งเราระลึกถึงท่านในเรื่องของคุณความกรีที่ท่านมีในการปฏิบัติอย่างนี้อันนี้ก็สามารถเเหตุผลถูกอยู่แต่ถ้าเราไปดูว่าเอมูลค่าองค์นี้เนี่ยโหมีเมตตามหานิยมอย่างนี้นะแล้วก็ทําพศ น, นี้นะแล้วก็ปรางนี้นะแล้วก็เปลูกเสกมาแล้วอันนี้เริ่มเริ่มไปคนละแนวละครับ มันจะเริ่มเป็นแบบก็เรียกว่าเป็นดีกรีอะนะเป็นดีกรีของการที่จะไปสูงตรงข้างในข้างหนึ่งอ อ, อันนั้นเป็นเหมือนการพานิดไปเลยใช่ก็คือเป็นลักษณะของอวัตโกโตุย ล, ละมงคลล่ะครับเป็นที่ใช้นิมิตไม่ถูกเรื่องต้องรับเป็นเรื่องของพระเครื่องละครับทีนี้อย่างถ้าเรามาดูเรื่องของศิลปะเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของนอกแนวเหมือนกันน ะ, ะถ้าวูนีศิลปะสมัยทวรารวดีศิลปะสมัยอยุธยาอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พระเจ้าไม่ได้สอนอยูเหมือนกัน ออ oh, <ừ m. S 2> ครับ <Ừ. S 2> ใช่ใคือถ้าเราแค่ดูว่าอันนี้ทําให้เรานึกถึงพระพุทธเจ้าได้อันนี้แค่แค่นั้นพอเลยจบเลยคถ้าถ้าเราทําจิตอย่างนี้ได้นะคุณจะมีหรือคุณจะไม่มีนะอันนี้ไม่มีปัญหาเลยครับมันเป็นเรื่องของจิตที่เราจะทรงไว้อย่างไรเท่านั้นเองีนี้ถ้าเขามีพระเครื่องกันเราก็ไม่มีปัญหาเขาจะเรื่องรลักเครื่อนถ้าเขาทําจิตไม่ถูกเราก็สบายใจถ้าเขาทําจิตไม่ไม่ถูกเราก็ไม่ไปทําอย่างนั้นครั บ, น, บนึกออกนหม ใช่ครับแล้วก็มีปัญญาพิจารณาด้วยมีพระเครื่องประเภทหนึ่งที่ไม่ได้รับการปลุกเสกเนี่ยมีคนก็เคยมาเล่าให้นักมาฟังคือพระเครื่องอจิตลดานะครับทําเป็นสามเหลี่ยมเนียนะแล้วก็มีพระพุทธ ร, รูปอยู่ตรงกลางนี่นะแล้วก็บอกว่าพระองค์นี้ไม่มีการปลุกเสกเอาอให้ทุกคนเพื่อเป็นแจกจ่ายให้ถึงผู้ศึกษาอันนี้ก็เข้าท่าเหมือนกันนักมาว่าครับ <laughs> ใช่ครับเพราะว่าไงก็ตามเรื่องของการปลุกเสกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ใช่จะเริ่มผิดศีลละของพระละ โอ้ปิดปิดยังไงครับท่านก็การเสียการพรหมน้ํามนอะไรอย่างงี้มันก็จะไม่ค่อยเข้าถักคือถ้าถ้าทําเพื่อหากินนะถ้าทําเพื่อหากินอมีมีวินัยกํากับอยู่ใช่ไหมครับใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยจึงต้องบอกให้ท่านผู้ฟังก็คุณหมอรัตนพงศ์เนี่ยเฮ้ยเราทำจิตอย่างนี้นะมันมาเนียนกันมากมันมาบางมากมันมาชิดกันมากมันมาก็เรียกว่าเนียนแอแฝงกันมามากนในสมัยนี้เพราะฉะนั้้้้นนถถาาเรรทงจจจิตอไไวูกกก็็ะะะดดี ในในเรื่องของที่มาเนียนๆอย่างเงี้ยเช่นวา่าการมีพระเครื่องหรือว่ารูปเคารพแล้วทํายังไงให้ไหม่เป็นวัตถุโกฏิและมงคลนอย่างเงี้ยนะมันจะมีเรื่องที่เนียนๆมาด้วยกันอย่างนี้อีกหลายๆอย่างที่เราได้เคยพูดไปแล้วก็มีนะคืออย่างเช่นว่าไอ้ความอยากกับที่พึ่งเขอไปที่ชันทากัตันหายอย่างเงี้ยตันหาคือความอยากชันท่าคือความพอใจนะชันท่ส่วนที่เป็นสมุทัยก็มีสันตะสนที่เป็นมรกก็มีนะมันมาเนียนกัน้ากบางที เราเราแยกกันไม่ออกอันนี้องเคยคุยมาในตอนที่ไหร่นะหมอลกคงหกสิบสามครับหกสิบสามนะย้อนไปฟังกันได้แล้วก็ตอนที่แล้วเราได้พูดถึงเรื่องความอยากกับความหิวใ่อันนี้ก็มาเนียนกันมากนะมาติดกันเลยอันหนึ่งเกิดขึ้นที่ท้ออันหนึ่งเกิดขึ้นที่ลิ้นอนะแล้วไอ้เรื่องความความอยากเนี่ยบางทีมันมันโอเวอร์เวมเลยนะโอเวอร์เวมนี่คือแบบท่วมท้นทับเลย นะไปกินอาหารหัวอาหารเลื่อรู้อย่างดีทุกอย่างเลยรสชาติมีทุกแบบรนตรีก็ฟังอากาศก็เย็นคนก็เยอะแยะแหม่สบายใจเราโอเวอร์เวมนะถูกท่วมท้นด้วยตาหูจมูกลิ้นกายทําให้เรามองไม่เห็นไ อ, ไอความมีอยู่ตรงนี้ครับอืมเพราะฉะนั้นมันมาเนี่ยนกันมากทําให้บางทีเราตาปาดเนี่ยปาด น, าดนี่ปาดไม่ออกหรือปาดไม่เห็นไม่รู้ตรงแนวปาดตรงไหนนะต้องใช้มีดที่คมมากมอืมมีดคมนีม่หมายถึงปัญญ า, ญญาใช่ไหมครัใช่ใช่ อย่างอีกเรื่องหนึ่งทีเราเคยพูดไปนะคือเรื่องของเบือ่อนายกับเบื่อเซ็งก็มาเนียนกันมากมาเนียนกันมากเหมือนกันครับไกลไก ล, กลเกียงมากเลยใช่แล้วก็ตรงนี้อมีประเด็นที่จะเพิ่มเติมคือเรื่องของการยึดกับเอาการเป็นที่พึ่งอตรงนี้เป็นประเด็นที่ดีเหมือนกันนะมาเนียนกันเหมือนกันนะมีคนบอกว่าต้องยึดพุทธวัชนะเป็นเป็นหลักครัาันี้ก็ก็จะถ้าบทแพนงชนะของพุช้าเนี่ยพุชา้ชาบอกว่า ให้เอาพระพุทธประธรมพระสงค์นะถือเอาพระพุทธประธรมพระสงค์เป็นที่พึ่งนะไม่ใช่ยึดถือนะนะอ่าไม่ใช่ยึดถือถ้ายึดถือคือผู้ปฏิสไทยบางทีมันกำกวมนิดนึงนะถือ <แ Grey. S 1> เอาเป็นที่พึ่งภาษาบาลีว่าสาธารณน ะ, <rose. S 1> ะยึดถือเอาเป็นตัวตนนะคืออุปทานครับอุปทานนี้ไม่ดีแนะ่นอนคุณจะเอาพระพุทธพระมพระสงค์เป็นอุปทานคุณจะไม่มีอุปทานในพระพุทธพระมพระสงค์ไม่ได้แต่คุณจะต้องเอาพระพุทธประธรรระสงค์เนี่ยเป็นสาะครัณะฟังให้ดีนะ หมายความว่ายังไงคือบางคนเนี่ยไปยึดเอานะพระพุทธประธรรมระสงค์หรือไปมีอุปทานในพระพุทธพระระสงค์ตริงจะเกิดขึ้นคืออะไรนะยึดเอาเนี่ยคือย uh uh> ึดเอามาเป็นของตัวเองนะทีนี้พอเรายึดเอาเราจะรู้ได้ไงว่าเรายึดหรือเปล่าวัดง่ายๆนะถ้ามีใครมาทําปู้ยยิ้ปุ้ยํากับพระพุทธพระธรรมระสงค์เราจะจีดจะจีดขึ้นมาทันที <le> อย่างสมมติเขาออกข่าวว่าอุยคนนี้ทำผิดศีลเราจะรณรงค์เรื่องนี้เอ้าคุณทำผิดศีลคุณบอกว่าเอ้พุทธศาสนาเสื่อมโอ้ยเราช่วยรณรงค์แล้วจี๊ดมีปัญหาละนี่คือคุณยึดเอาละ <le> คุณยึดพระพุทธศาสนาเป็นเป็นสะะาสนาลอขออภัยยึดเป็นอุปทานละยึดเป็นของตัวเองแล้วนะะเพราะฉะนั <le> ้นถ้ายึดเอาเป็นของตัวเองนี้คุณจะเริ่มมีความทุกข์อย่างสมมติเราเราเอายึดครูบาอาจารย์องค์นี้นะถ้ามีใครมาว่าครูบาอาจารย์องค์นี้นะลงข่าวหนัสือพิมพ์หน่อยนี้มีใครมาว่านิดหนึ่งหน่อยีททันท เราจะจีดทันทีครับคืออย่างสมมติกฎเราออกมาเนี่ยนะเพื่อสมมติการเหล็กเล่นที่ประปเดในโสอย่างเงี้ยถ้าเราออกกฎมากฎการเด็กเล่นเรามีอยู่แต่ถ้าเราไปยึดในกฎยึดในกฎนะหมาระพงยึดนะอุปทานนะถ้ามีใครทําผิดกฎนิดหนึ่งเราจะจี้ทันทีเลยจี้ทันทีอันนี้เกิดขึ้นทั้งผู้ที่ออกกฎผู้ที่ทําตามกฎผู้ที่รักษากฎผู้ที่ทําบทลงโทษทั้งหมดจะจีดหมดถ้าทุกคนยึดถือตรงนี้ยึดนะยึดนะยึดอุปทานนะ ก็สมมติพูดมาหล็กเล่นอย่างเงี้ยอย่างหมอรัตวมาหล็กเล่นเป็นต้นนะถ้าสมมติหมอรัตวงยึดนะยึดในกฎการหล็กเล่นแม้กฎการหล็กเล่นดีมากๆเลยทําให้ทุกคนปฏิบัติได้อย่างดีแหมเราก็เงียบส ง, งัดอยู่ในเสนาี่ไม่ไม่ไ ม, ไม่มีเสียงอือดทึ้ง ค, ค, คลมเป็นเสนาธที่เงียบเสียงแต่พอมีใครพูดขึ้นมานิดนึงนะเราจะจีดละ่ะเฮ้ยทำไมอันนี้มาทำลายกฎการเหล็กเล่นได้ไงวะโอ้ยอย่างนี้เกิดขึ้นมาทันทีละ่ะเราจะจีดแล้วนะจะจีดเพราะเรายึดถือไงเพราะเรายึดแล้วครับเอาสินี้ที่พึ่งเปนยังไ มัน <Okay. S 1> ต่างกันตรงที่ว่าถ้าเราใช้เป็นที่พึ่งนะเราจะไม่จีต<ม>เราจะไม่โกรธเราจะไม่ไม่กระวนกระวายเราจะไม่ทุบ อ, อกชกตัวเราจะไม่มีปัญหาตรงนี้ครับเพราะว่าไอการที่เราเอาเป็นที่พึ่งมันต่างกันตรงนี้ยกตัวอย่างง่ายๆการยึดเนี่ยคือเอามาเป็นของตัวอย่างเสาเสาเสาบ้านอย่างเงี้ยอ่าถ้าเราเอาเป็นที่พึ่งเนี่ยเราเหนื่อยเราปวดหล้างเนี่ยแม่คุณก็ไปพิงเสา นายแบบคนเอาเสาเป็นที่พึ่งนะมันนั่งสมาธิเนียเอาเสาเป็นที่พึ่งคุณก็ไปพิงเสานะแต่คนที่ยึดเอาเสายึดเสานะคือคุณจะเอาเสามาเป็นของตัวคุณจะดึงเสาออกมาอเสาต้องตามฉันมานะตามฉันมาเพราะมันเป็นของฉันนี่นะพอดึงเสาออกมาจากที่ที่เสามันอยู่เนี่ยบ้านก็พังแล้วใช่ครับมันจะเริ่มมีความทุกข์แล้วเราจะเริ่มหนักละเราจะเริ่มปวดละเราจะเริ่มหนักขึ้นละเพราะว่ามันถือเอาไว้นะพระแสงพระเจ้าจึงใช้คําว่าสารณะ สารณะเนี่ยประมาณที่พึ่งที่พึ่งเนี่ยแปลได้ถูกมากๆเลยคือเราไปพึ่งพิงเขาเราไม่ได้เอามาเป็นของเรานะถ้าเรายึดถือเนี่ยคือเอามาเป็นของเรายึดถือด้วยความเป็นตัวตนว่านี่ของฉันของฉันของฉันของฉันใครแต่ต้องไม่ได้นะใครพูดไม่ดีหนึจะจี๊ดจะด่าจะว่าจะมีการปกป้องจะทาให้ถูกนนในขณะที่ถ้าเราเอาเป็นที่พึ่ง นะเราไม่มีปัญหากับใครนะคือแต่เรา<ช>ถ้ามี<ช>เรามีปัญหาเองเนี่ยเราเอาไปที่พึ่งนะเราก็ไปปรึกษาคนนี้เรา ป, ปรึกษาสิ่งนี้เนี่ยว่าเขาทำยังไงครับ<ช>ทีนี้มันจะมีประเด็นที่ว่าที่บอกว่าพุทธวจนะเนี่ยให้เอาเป็นที่พึ่งเนี่ยอันนี้ถูกต้องดีมากแต่<ช>คือว่าเวลาเรามีปัญหาเอ้ยไม่เข้าใจธรรมะทําไงเราต้องหาพุทธวจนะเลยใช่ครับอ่าเราต้องหาพุทธวจนะเปิดเลยอันนี้พระเจ้าว่ายังไงนะมีคนอธิบายไว้ว่าอย่างไงเราตีความว่ายังไรเกี่ยวข้องกับสูตรนี้อย่างไรเยบเคียงในพระสูตรนําไปสอบทุนนนใพระิัย อันนี้ถูกต้องนะที่อยู่ในมหาประเทศสีใช่ไหมครับทีนี้ป ร, กรากฏว่าถ้าสมมติมีคนไม่ใช้พุทธวจนะมีคนพูดอะไรแต่งคําขึ้นแตอันหนึ่งขึ้นมาเนี่ยเราจะไม่จี๊ถ้าเราเอาเป็นที่เพึงเฉยๆเพราะเราเราเราหยุดที่ปัญหาของเราเนี่นะถ้าเรามีเรื่องอะไรเราก็ไปปรึกษาแต่ถ้าคนหนึ่งเขาพูดอะไรมาเราก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะโอครับทีนี้ถ้าเรายึดถือพุทธวจนะจะเป็นยังไงในกรณีของความยึดนะคุณคยึดถือเนี่ยโอ้ถ้ามีใครไม่พูดพุทธวจนะ หรือมีคนปฏิเสธว่าเออฉันเป็นพุทธวจนะแต่ว่าไม่ชูดพุทธวจนะเราจะเริ่มจีดล่ะเออใช่ครับอ่าอาทําไมคุณคุณไม่ใช้พุทธวจนะทำไมคุณพูดคําของคนอื่นน่ะอย่างนี้เราจะเริ่มจีดละนะเออพราะเรายึดไว้เป็นของเราใช่ไหมหเรายึดไว้เป็นของเราเราจะเริ่มจีดทีนี้<อ>ประเด็นที่ว่าอที่ว่าอา่าแล้วการใช้การใช้งานจะทําอย่างไรนะคื อ, ค, อคือการเทศสอนของบางคนเนี่ยคือเขาจะแต่และคนเนี่ยความสามารถไม่เท่ากัน จ, นะจะไม่สามารถกําหนดบทเพยนชนะได้เหมือนพระพุทธเจ้าเป๊ะนะพระเจ้าจึงบอกว่าธรรมะที่พระองค์แสดงเนี่ยพร้อมทั้งอัฏฐพร้อมทั้งพยัญชนะนะทั้งความหมายด้วยทั้งบทเพยนชนะด้วยนะเพราะฉะนั้นะบางทีบางคนเนี่ยความสามารถเรื่องความจําไม่ไม่ไม่มากพอที่จะกําหนดบทเพยนชนะได้เหมือนเป๊ะๆนะตัวตามาเองก็ทําไม่ได้นะให้เหมือนเป๊ะเลยเนี่ยคือตัวเราเคยมีความปรารถนาอย่างนี้เหมาละพงว่า แหมถ้าสิ่งใดที่เราหลุดออกมาจากปากเราเนี่ยนะเหมือนกับก๊อปปี้ของพระเจ้ามาเป๊ะเลยอ้วกออกมาเหมือนเป๊ะเลยนะคายออกมาเหมือนเป้เลยของพระเจ้าแหมแม่จะดีมากๆเลยเรามีความปัตตนาอย่างนี้ครับแล้วเรามีความปัตตนาอย่างนี้ถ้ามีใครถามอะไรเราสักคำหนึ่งสมมติหมอนรัพงษ์คุยรายการจัดรายการกันมาแล้วเราพูดออกแบบปุ๊บเป็นพุทธศาสนาเป๊ะเป๊ะเลยนะไม่มีเปลี่ยนแปลงแหมเราจะดีใจมากๆเลยแล้วพอเรามาคิดคิดไปคิดมาเอ๊ ถ้าเราทําได้อย่างนั้นเราก็คงเป็นผู้เจ้าเองแล้วนะใช่ครับ เ, เพราะว่าถ้าเราพูดอย่างนั้นคือเราเป็นผู้เจ้าเองเลยนะ่ะซึ่งซึ่งมันคงเป็นไปไม่ได้เพราะเราไม่ใช่บูรเจ้าไงใช่ครับแล้วคงต้องเป็นผู้เจ้าองค์ต่อไปซึ่งตอนนี้จะไม่มีเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าโอนนี้เป็นไปไม่ได้เลยครับนี่เขามาถามทางหรือเขามาอหาคนอย่างเงี้ยถ้าเราเราไม่คุยเราเดินหนีเลยมันก็คงจะยากอยู่ะอืซึ่งถ้าทําได้มันก็ก็ก็จะเป็นการดีแล้วคงจะเป็นพผู้เจ้าซอกองหนึ่งในโลก แต่ <นะ S 1> แต่ว่าเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะนั่นจริงตรงนี้จึงไม่สามารถทําได้นะหรืออย่างตัวพระสารีบุตรก็ตามนะพระสารีบุตรเนี่ยถ้าส่วนไหนที่กบบําหนดบทพยัญชนะได้เหมือนพระเจ้าท่านก็ทำํำนะถ้าส่วนไหนที่ท่านจะอธิบายเองนะท่านก็จะอธิบายทีนะนี้ที่พระเจ้าบอกว่าเออสาวกเนี่ยก็จะพูดตรงกับพรนะเจ้าคนนั้นเนี่ยก็จะเอาบทพยัญชนะนั้นเนี่ยไปสอบถามพระเจ้าอีกทีหนึ่งว่าสมควรจะรับรองไหมนะหรือว่านะเห็นเป็นอย่างไร เนะีซึ่งคนที่ฟังธรรมจากท่านพระสาริบุตรเนี่ยก็ก็มีหลายๆครั้งที่เอาไปสอบถามพระพุทธเจ้า<อ>ทีนี้<ช>ประเด็นมันตรงนี้ว่าสมมุติว่าพระพุทธเจ้าตอนนี้ไม่อยู่แล้วอพระเจ้าตอนนี้ไม่อยู่แล้วนะหมอระทวไม่มีใค ร, ครจะมารับรองคําสาบกใดๆอีกแล้วครับถามใครดีครับเออําใครดีทํามีทําใครดีนี่ก็เปิดก็ต้องถามพระพุทธเจ้าแล้วแหละก็ต้องถามในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทิ้งไว้ให้ใช่ไหมครัคือทําวินัยที่พระพุทธเจ้าทิ้งไว้ให้ครับทีนี้ว่าไม่มีตัวเป็นๆให้ถามแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปถามในหนังสือ นะทีนี้ถามว่าไอ้คําใหม่ๆที่ที่แต่งกันขึ้นมาเนี่ยแล้วถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับวีมุดนะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอ่าสุญญาตาเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการหลุดพ้นเป็นเรื่องที่ไม่ใช่นอกแนวแต่เป็นคําของสาวกนะะฟังได้ไหมได้คือ<ช>ประเด็นนี่คือประเด็นอ๋ อ, อ, อเพราะว่าอย่างพูดคำของพระสารีบุตรนะคำของพระสารีบุตรนะนี่พระสารีบุตรพูดขึ้นเองนะเป็นเรื่องสุญญตานะเป็นนะเป็นไปเพื่อการเบื่อหน่ายใครกําหนัดนะเป็นนะเป็นเรื่องที่สอดไม่ได้เป็นเรื่องนอกแนวนะถูกไหม แตนะ่แต่ไม่ใช่พุทธวจนะน ะ, อ, ะอเพราะฉะนั้นคนที่เขาฟังเนี่ย เ, เขาก็ฟังไงเขาก็ฟังนะทีนี้พอเราฟังแล้วเนี่ยคือเราก็ต้องมาเทียบเคียงในในสิ่งที่เป็นปริชาติถ้าลงกันได้เข้ากันได้นั้นลงกันได้เข้ากันได้หนะมายถึงยังไงหมายถึงทั้งโดยอัฐะทั้งโดยพยัญนชนะนะอัฐะเนี่ยลงกันได้พยัญนชนะลงกันได้ไหมก็อยู่ที่ความสามารถของคนพูดนะถ้าคนพูดมีความสามารถมากบทพยัญชนะจะลงกันได้มาก ถ้าคนพูดมีความสามารถน้อยคือหมายว่าจะพูดว่าน้อยก็ไม่ได้ไนะคือมีความสามารถเท่าที่เขามีนะบเทเพียรชนะอาจจะไม่ตรงกันแต่อัตตะก็ตรงตรงกันเพดัะนั้นเราก็ดูตรงนี้ด้วยคือทั้งอัตตะทั้งพียญชนะเราจะไม่มีปัญหากับใครในโลกนี้เลยมาลพงศ์ว่าเขาจะพูดสิ่งที่เป็นพุทธจตวนะณะเหมือนเป100๊ะร้อยซหรือแค่90หรือ 80% ดหรือแม้แสิร์เซ็นต์ก็พอแต่อัตตะตรงกันไหมอ่าเพราะฉะนั้นถ้าอัตตะกับพเพียรชนะตรงกันเ ป, เปเ เป็นผู้ที่เป็นพวกหูสูดสามารถที่จะทำพระสัตยธรรมให้ตั้งมั่นรุ่งเรืองอยู่ต่อไปได้แต่่ถ้าอัฐะตรงอยู่แต่วบวชเพื่อพชณาไม่ตรงอันนี้แม่ท่านก็เยี่ยมมากเลยสามารถที่จะอธิบายทําเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์อยู่แล้วนะที่จะทําสิ่งที่ได้ฟังให้แจ่มแจ้งแต่ถ้าอัถะก็ไม่ตรงแล้วบวเพื่อพชณาก็ไม่ตรงอันนี้ก็เริ่มนอกแนวและอือันนี้เริ่มไม่ถูกละอันนี้เราก็เริ่มเริ่มเปรอะเริ่มเปรอะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูพิจารณาตรงนี้ เพราะฉะนั้นไอ้ความยึดกับความเอาเป็นที่พึ่งเนี่ยมันก็มาเนียนกันมากนะมาเนียนกันมากเพราะฉะนั้นบางทีเราใช้ภาษาไทยมันอาจจะงงๆก็จึงต้องพูดภาษาบาลีบ้างนะที่ว่าสาระนะกับอุปาทานมันแยกกันอยู่ตรงนี้นี่คือประเด็นเรื่องของของการที่อะไรที่มันมาเนียนกันนะทีนี้ไอ้ตรงที่มันมาเป็นคู่ๆกันอย่างเงี้ยบางทีมันก็มาขี้ก็มีมาสามด้วยกัน นะคื อ, อคที่เราพูดถึงเนี่ยคืออันดีกับอันไม่ดีถูกไหมใช่ครับอันดีเนี่ยก็คือที่เราพูดเช่นว่ า, าความเป็นที่พึ่งดีฐา<ล>นะ<ค>ชั้นท่าดีความเบื่อหน่ายดีนะเวทนาการรู้เวทนาดีดและความรู้เรื่องกรรมดีนะซึ่งมันก็จะมาตรงกันข้ามกับเจ้ า, าความรู้เรื่องกรรมใช่ไหมก็จะมาคู่กับวัตถโกตุยแมงคลนะความอยากก็จะมาคู่กับความหิวอย่างเงี้นะเบื่อหน่ายก็มาคู่กับเบื่อเซ็งนะตันหาก็มาคู่กับชันท่า ไอ้ความยึดถือก็มาคู่กับสารณะคือที่พึ่งใช่ไหมครับทีนี้ไอ้หคู่เนี้ยถ้าเราเพิ่มไปอีกอันหนึมันก็ได้นะเป็นเกลียกวเป็นสนะเป็น3มขาแต่5้าห้าห้าขี้ห้คู่นี้แหละแต่เป็น3อย่างอย่างละอย่างละคู่นี่นะเช่นอะไรครับถ้าสมมติยวัดตโกตุยละมงคลกับเรื่องของกรรมครับคุณต้องเชื่อเรื่องกรรมนะแต่คุณอย่าไปเชื่อมงคลตื่นข่าวไนอีกสุดตรงข้างหนึ่งก็คือว่าไม่เชื่ออะไรเลยนะเป็นพวกที่แบบไม่มีที่พึ่งไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยอยู่ๆเกิดขึ้นมาลอยๆ อันนี้ก็อีกสุดตรงข้างหนึ่งอ่ะครับนะคืออีกฝั่งหนึ่งยังพึ่งพักเครื่องบ้างยังพึ่งอะไรบ้างที่แย่ที่สุดเลยก็คือว่าไม่เอาอะไรเลยโยนทิ้งหมดทุกอย่างเปนแบบเกิดขึ้นมาลอยลอยอันนี้ก็อันหนึ่งนะที่ว่าอย่างที่สองถัดมาคือเรื่องของความหิวอย่างเงี้ยนะความหิวความอยากอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่เราเทียบกันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอีกสุดตรงข้างหนึ่งก็ค อ, อันนี้ก็สุดตรงไปแล้วใช่ครับเรื่องของความเบื่อหน่ายกับเบื่อเซ้งนะเบื่อหน่ายเบื่อเซ้งตรงนี้มันมาเนียนกันมากนะสุดโต่งอีกข้างหนึ่งที่เราไม่ได้พูดถึงตรงนี้คือการชุ่มอยู่ด้วยกาม ค, คุณเ อ, อิบอิ่มด้วยกามคุณตั้งห้าเลยเป็นของชั้นของชันง้นของฉันทั้งหมดไม่มีความเบื่อหน่ายใดทั้งสิ้นนะทีนี้พอเราเตรงนี้ที่ต้องพูดถึงเนี่ยเพราะพอเราจะมาเบื่อหน่ายเนี่ยมันเลยถอดกลายเป็นเบื่อเส้ง นะคือหรือว่าเราเราเลิกจากการที่เราอดข้าวอดปลาอะไรมากินบ้างมันเลยกลายเป็นกินมากเกินไปนะเป็นความเป็นความอยากตามปากกันไปนะเราบอกเออเราพอจะมีที่พึ่งบ้างเรามีอะไรเป็นที่พึ่งบ้างนะเลยเลยถือกลายเป็นวัตโกตุยและมงคลอย่างเงี้ยเลยจากเรื่องกรรมไปอย่างเงี้ยนะอ่าหรือว่าความยึดถืออย่างเงี้ยฉันบอกว่าฉันไม่ยึดแล้วไอ้สิ่งที่ไม่ดีนะมายึดถือสิ่งที่ดีๆแทนจะเอาสิ่งที่ดีๆเป็นที่พึ่งเลยเถือกลายเป็นเป็นยึดถือทําให้เรามีความทุกข์อย่างเงี้ยแต่เพราะนั้นมันจึงมาเป็นสามอย่าง ในะที่เป็นสุดตรงสองข้างและตรงกลางตรงกลางเนี่ยไม่ใช่ว่าตรงกลางนะเป็นทางสายกลางนะซึ่งบางทีมันแนบเนียนกับไอ้เจ้าสองอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งในข้างๆนี้มากทีเดียวครับ <Okay. S 1> จึงต้องมีความที่จะทําให้มันะละเอียดนะคุณจะละเอียดคุณจึงษาจะเห็นตรงนี้ได้อ mm hmm. อีกอย่างหนึ่งนะที่อาจจะไม่ได้พูดถึงจะพูดถึงตรงนี้เลย <Okay. S 1> ก็คือเรื่องของความความความวามันเรียกว่าความสตานะ <Okay. S 1> สตาแบบหนึ่งที่แบบไม่ดีก็คือภาษาหัวเต่า เดี๋ยวมีเดี๋ยวไม่มีศรัทธานิดๆหน่อยๆศรัทธาแบบหัวเต่านะหุดหุบหุดผุบผุบโอไม่ไม่มั่นคงไม่เสมอทีนี้เราบอกงั้นเราจะมีศรัทธาที่มั่นคงละนะมันกลับเลยเถิดไปเป็นบลายเฟสนะคือแบบศรัทธาแบบตาบอดออันนี้ก็ไม่ดีละเลยเถิดไปละใช่ไหมเพราะมันจึงมาเนียนกันมากนะบลายเฟสคือศรัทธาแบบตาบอดกับศรัทธาแบบมีความมั่นใจศรัทธาแบบเรื่องของกรรมอันนี้ก็มาเนียนกันมากเหมือนกันอืมฮะนะคิดว่าหมอรัตนพงเข้าใจโนะ เข้าใจครับ <S <S แต่ท่านผู้ฟังถ้าไม่เข้าใจก็ถามมาได้นะครับอ ย, อย่างเรื่องของใบเฟซเนี่ยคือสไตล์แบบตาบอดเนี่ยมันจะให้ความหมายที่ที่แตกต่างกันอย่างเรื่องของความงมงายก็มีนะเช่สมมติเราใช้คำ ว, ว่าเอ้ยคนนี้มันงมงายวะงมงายเนี่ยหมายถึงว่าสิ่งที่เราไปงมงายเนี่ยมันมันเป็นเป็นของไม่ดีเป็นของที่ผิดครับนะสมมุติถ้าคุณงม ง, งายในเรื่องของอพระเครื่องอย่างเงี้ยก็พระเครื่องนี้จะเป็นสิ่งที่ไม่ดี แต่ถ้าคุณบลายเฟซคือตาบอดเองคือคมองไม่เห็นเองก็อยู่ที่ตัวเราเป็นเองเราจะมีความหมายแตกต่างกันนิดหนึ่ง ค, คือถ้าความงมงายเนี่ยสิ่งที่เราไปเชื่อถือตรงนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ผิดด้วยแต่ถ้าความเชื่อถือแบบตาบอดก็คือสิ่งนั้นอาจจะเป็นสิ่งถูกอยู่แต่ตัวเราเองที่ผิดที่ตาบอดเองอทําไม่ถูกอย่างเงี้ยครับต้องแยกประเด็นอ่าทีนี้สิ่งที่คนรจะต้องมีถูกคืออะไรก็คือความศรัทธาความมั่นใจนัตา ม, มาจึงพยายามที่จะใช้คําว่าความมั่นใจนะมั่นใจในการที่ จะประพฤติตามคําสอนของพระรูปเจ้าอีกคําหนึ่งนะที่ที่คิดว่าน่าจะสนใจก็คือว่าคําว่ากล้าหาญนะกล้าหาญมั่นใจอันนี้เป็นสิ่งที่เดียวกันนะที่มันก็จะเลยเถิดไปก็คือเป็นกล้าบ้าบินไปนะจากการที่เรากลัวกลัวนั่นกลัวนี่กลัวแรงต่างๆนะเราจะมาเป็นคนกล้าแล้วเราจะมีความมั่นใจในการการะทําแล้วนั้นะเลยเถิดกลายเป็นกล้าบ้าบินอย่างนี้ก็สุดตัวอีกข้างหนึ่งเลยไปแล้วมันก็จะมาเนียนกันมากนะบางที คนที่กล้าบ้าบิ่นกับคนที่กล้าหานอย่างเงี้ยมบางทีมันเนียนกันมากมาใช่ครับทีนี้ในเรื่องของความกลัวนี่ก็เนียนกันอีกเหมือนกันนะบางทีในเรื่องของสิ่งที่เรากลัวเนี่ยกลัวผีกลัวฟ้ากลัวตุ้งแกอะไรต่างๆซึ่งมันเป็นตัวเดียวกันกับที่คุณไปกลัวบาตรมมันตัวกลัวเนี่ยมันตัวเดียวกันนะทีนี้ไอ้ตัวกลัวเนี่ยทํายังไงเราถึงจะไม่กลัวอสิ่งอื่นๆนอกจากกลัวบาตรอย่างนี้อันนี้ก็คือมันมาเนียนกันมากไอืม อีกอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งคือไม่มีความกลัวเลยไม่มีฮีริโอตาปะเลยอันนี้ก็โหยแย่ไปเลยอ่าทีนี้พอเราจะมากลัวนั่นเลยเติบเป็นกลัวผีกลัวอะไรไปนะมันจะต้องมีความกลัวบาปตั้งเองเพราะฉะนั้นความกลัวความกล้าหาญต้องมาด้วยกันนะขึ้นกลัวกลัวบาปแต่แต่คุณกล้าหาญในการที่จะเผชิญสิ่งที่เป็นความทุกข์เนี่ยคือเรากล้าหาญที่จะเผชิญเจ้าตูแกนะไม่กลัวเขาแต่กลัวบาปต่างหากอย่างเงี้ยคือมันก็ต้องมาคู่กันคือคุณธรรมต่างๆทั้งหมดทั้งเนี่ย เราเราได้พูดถึงตอนที่แล้วว่าที่ทําให้มันละเอียดนะสับให้มันละเอียดอยู่ในจิตของเราอยู่ในนี้หมดอยู่เป็นอันเดียวกันหมดให้เป็นเนื้อเดียวเมื่อเมื่อวันก่อนอาละมาได้บันทึกเสียงของคุณเตือนใจที่รายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงของประเทศไทยเป็นยังไงครับคือคุณตนใจเขาเล่าให้อมาร์ฟังว่าเขาชอบกินเค้กช็อกโกแลตนะก็ถามเขาว่าเออเราเค้กช็อกโกแลตเนี่ยมีส่วนผสมอะไรบ้างนะเขาก็บอกว่ามีช็อกโกแลตนะต้องมีแน่นอนมีแป้งมีเนยมีไข่มีอะไรพวกเนี้ยนะทีนี้ เออแต่วมาก็ถามกขาว่าอ้าวแล้วเวลาเรารับประทานเค้กช็อกโกแลตเนี่ยคือเราเรากินไข่เข้าไปก่อนแล้วเรากินแป้งตามแล้วกินน้ำตาลตามแล้วก็ไปเขย่าเขย่าตัวอย่างนี้ไหมก็ตอบว่าไม่ใช่นะแต่เวลาเรากินเนี่ยเราเอาเค้กมาไอส่วนประกรอบนี่มันผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันก่อนนะไข่เนี่ยคุณไม่ใช่ไปอบ ก, ก่อนนะคุณต้องมาผสมก่อนแล้วไปออกที่หลังเข้าใจไหม<อ>เพื่อทําให้เป็นเนื้อเดียวกันก่อนแล้วถึงค่อยกินมันจะมีความอร่อยนะแต่ที่เราต้องทราบส่วนผสมเนี่ยเพื่อให้เราเอาไปทำได้ แลเช่นเดียวกันไอคุณธรรมทั้งหมดที่ดีๆที่เราพูดมาเนี่ยนะหมอระพงแยกแยะออกมาให้ดูเนี่ยนะเพื่อที่จะให้อยู่ในจิตเดียวกันทั้งนั้น อ, อย่างเช่นเรากินเค้กช็อกโกแลตเข้าไปก้อนหนึ่งเนี่ยเราถามว่าคุณกินอะไรอยู่คุณกินไข่หรือว่าคุณกินเนยหรือว่าคุณกินน้ําตาลตอนนี้อุย้ยมันอยู่ในนี้หมดแล้วลมันปนกันอยู่ใ น, นนี้หมดแล้วคเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นจิตของเราเนี่ยมันอยู่ในนี้หมดแล้วในจิตของเราในส่วนที่ดีๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแทนที่เราจะเลือกจำทีละยาเนี่ยมันจะมันจะทําให้สับสนล นั่นคือเราเราทำอย่างเดียวนั่นคือเราทำอย่างเดียวคือเรามีสติอย่างเดียวลมในลมหาใจอย่างเดียวนักกูจะทำพวกนี้ก็จะเกิดตามตมากันหมดได้อืออ่าคือคือไม่ต้องไย้แยกกันทำนะแยกกันทำแล้วมันจะเริ่มสับสนละครับเหมือนอย่างกินส่วนประกอบของอาหารที่เข้าไปทีละอย่างแล้วมันประสมกันในท้องเองโอ้มีมีมีคนคิดได้นะครับแล้วก็ทีนี้พอพอเราแยกนะคือที่พระพุทธเจ้าต้องแยกแยะให้ให้ให้ฟังเนี่ย เพราะว่าเป็นคนที่เครารพธรรมะมากเป็นบุคคลที่เครารพธรรมะมากต้องแยกแยะออกต้องแยกแยะว่าส่วนประกอบมันมีอะไรหน้าที่ของเราคือสังเคราะห์รวมกันให้มันเข้าไปอยู่ในจิตครับไหนพระเจ้าแยกแยะออกมาแล้วไหแยกแยะออกมาแล้วว่ามีอะไรบ้างมีส่วนประกอบอะไรบ้างหน้าที่ของเรากนะ็คือมาทํอย่างครั้งทีเราไปเรียนทํากับข้าวเนะี่ยเขาต้องบอกส่วนผสม ม, มากินอร่อยก่อนปุ๊บบางส่วนประกอบบางอย่างเราเห็นรู้ว่าเป็นอะไรไนอย่างนั้นทอดมันประกายเนี่ยเราจะรู้ว่าอ๋อมันมีบางทีเ้าหั่นไอเนี่ใส่ลงไปอะไรถั่วฝักยาว อ๋อใช่ครับทอดยา ว, าวมีแน่นอนมีถั่วฝักยาวแน่นอนเอ๊ะแต่อย่างอื่นไอ้เนื้อส้มๆนี่มันอะไรมีส่วนประกอบของอะไรใส่แป้งหรือเปล่ากินดูแล้วรู้ไหมนะหรือว่าใส่ปลาปลาประเภทไหนส่วนไหนของปลาอุจระปลาหรือเปล่านะหรือว่าเอาหางปลามาใส่ <c oughs> เราก็ต้องดูตรงนี้ต้องไปถามคนทําแต่เพราะนั้นไอ้คนที่สร้างธรรมะขึ้นมารอบรู้เรื่องธรรมะเนี่ยผู้เช่าเป็นผู้รอบรู้เพราะนั้นผู้เช้าก็จะแบ่งส่วนประกอบเอาไม้หมดเลยมีอะไรบ้างในขนมชนิดนี้มีอะไรบ้าง นะคนที่เขาจะทําขนมอร่อยได้เนี่ยยเขาจะต้องทําอย่าง ช, <ต>ชานิดที่ว่าเป็นมือโปรเลยครับสมัยก่อนจะมาช่วยคุณยอแม่เ น, นมเนี่ยทำขนมทําขนม<ต>กินเองเนี่ยที่บ้านทาเค้กทําอะไรอย่างเงี้ยเราก็มาผสมไส้ขนมเนี่ยเรากินเข้าไปเนี่ยพอเราผสมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กินเข้าไปเราก็บอกว่าเออมันก็อร่อยนะแต่พ <loop. S 1> อกินแยกกันนี่มันเป็นคนละแบบกันไปนะแต่พอมาผสมกันแล้วทําไมอร่อยเพราะลนั้น<ม>จึงเป็นสิ่งที่ที่ถูกต้องที่เราจะต้องแยกแยกออกมาได้ว่าส่วนประกอบมันมีอะไรบ้าง แล้วเวลาทำกินน่ะต้องผสมกันก่อนนะอย่าไปกินแยกๆนะครับเข้าใจเนาะวรางเข้าใจครับเพราะฉะนั้นในเรื่องประเด็นพวกนี้เราก็พี่ว่าคุยกันมาพอสมควรแล้วล่ะครับอันนี้เอพิส od ที่เท่าไหร่เนี่ยเจ็ดิบเอ็ดครับโอเคเอพิส od ที่เ1สิบเอดครับเอพิส od ที่ดสิเนี้เราพูดเรื่องไปบ้างเราพูดถึงเรื่องนิมิตนะ เราพูดถึงเรื่องนิมิตรเราพูดถึงเรื่องของการบูชาเครื่องนั้ของขา ง, งบูชายอย่างไรอีกประเด็นหนึ่งตรงนี้นิดนึงว่ามีชาวบ้านว่านตรงนี้อยู่ที่อําเภอพิบูลรักนะเขาอตอนนี้ไม่รู้ว่าเขายังมีชีวิตอยู่ไหมก็ เ, เคยมาเล่าให้ท่านอาจารย์ท่านหนึ่งฟังนะบอกว่าตอนนั้นเขาไปไปรบหรือไปสู้ศึกในสงครามสะอันใดอันหนึ่งเนี่ยนะเขาก็เอาพระเครื่ององค์นี้ไปด้วยนะพระเครื่องนอันนี้เขาศรัทธามากเลยนะพอไปถึงเสร็จปุ๊บเขาไปสู้สงครามเนี่ยปรากฏว่า ไอ้ส้อยคอที่เขาห้อยอยู่ในมันหลุดออกสร้อยคอขาดนี่เป็นนิมิตหมายที่ชั่วร้ายมากไม่ดีแน่นอนกูต้องตายแน่นอนเนี่ยนะปรากว่าเขาก็เลยแก้สถานการณ์ด้วยการหยิบขึ้นมาแล้วก็อมไว้ในปากเลยแล้วไม่มีเวลาที่จะมาผูกมาทําอะไรแล้วอมไว้ในปากนะปรากฏว่าไอ้ซี่อมอยู่ในปากนี่โอ้โหมีการแบบเด้งขึ้นมาและมีการสั่นสะเทือนอย่างแรงเลยเขาคิดว่าโอ้โหนี่ขอขึ้นแน่นอนพระองค์นี้ศักดิ์สิทธิ์แน่นอนเลยสู้เต็มสู้ยิบตาเลยสู้เต็มที่เลยครนะเพราะในศึกในสงครามครั้งนั้นของเขาเนี่ย ในการสู้รบตรงไหนของเขาเนี่ยหมู่ของเขาในชนะสามารถที่รุดคืบหน้าได้ไม่มีอันตรายเกิดขึ้นนะเพราะว่าความที่เขาฮึดสู้ขึ้นมาแล้วนะพอค่ายออกมาดูปรกากฏเขากลายเป็นเขียดออเป็นเขียดนะกลายเป็นเขียดออกมาก็พบว่าโอ้เราคว้าผิดนี่นะเราแทนที่เราคว้าพระเครื่องวงนั้นนกลายเป็นคว้าเขียดขึ้นมาเขียดมันอยู่ในป่ามันก็เลยดิน้นดิ้นินดินด้น <c oughs> ก็เลยกลายเป็นเหมือนสั่นขึ้นมาแบบว่าเป็นของขึ้นทําให้ผิดไปอทํำให้จิตเขาเนี่ยทรงอยู่ในกุศลธรรม ประเด็นคือจิตเนี่ยอยู่ในกุศลธรรมคุณจะอาศัยนิมิตอะไรก็ได้หรือคุณจะไม่อาศัยนิมิตก็ได้อเพราะฉะนั้นอย่างกรณีของบุคคลคนเนี้เขาอาศัยอคิดว่าเป็นพระเครื่องทีนี้ถ้าสมมุตินี่คือจะพูดถึงอกรณีที่ว่ากรณีที่ว่าพอเขาเห็นตรงนี้เขานึกถึงอุปการะคุณของเขียดตัวนี้เอาเกียดตัวนี้ขึ้นหิ้งบูชาอย่างเงี้ย พอเอาเขียดตัวนี้ขึ้นยิ่งบูชาแล้วคนอื่นที่มาบูชาตามนี่ก็เลยคิดว่าโอ้สงสัยเขียดตัวนี้ศักดิ์สิทธิ์นะเลยมาบูชากันคนที่บูชาเขียดตัวนี้ที่คิดว่าเขีเขยดตัวนี้ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเป็นวัตโตโกตุยละมงคลนะอย่างน<ะ>้ที่ <นะ S 1> รเราแบบคื อ, ฮ, อฮาฮกันเนี่ยไปไหว้ต้นไม้ไปไหว้จิ้งจกสองหางงูห้าหัวพวกเนี้ยในลักษณะ น, น, นี้เลยวัตโตโกตุยละมงคลนแะต่หารู้ไม่ว่าไอ้คนที่เขาบูชาเขียดเนี่ยเขาบูชาเพราะว่าโอ้โหเขียดที่ทําให้เขาชีวิตรอดธรรมดาไม่ใช่เขียดทํานะ แต่เขียดทําให้เขาจิตเขาเป็นกุศลมีความพืชสู้ขึ้นมาตรงนี้ทําให้เขาเรอดขึ้นมาได้และเขาบูชาคุณธรรมตรงนี้เพราะฉมั้นเขาไม่ได้บูชาตัวเขียดในความที่มันเป็นธาตุนะตรงเนี้ก็เป็นความเนียนอยีกเหมือนกันที่ว่าเราต้องปาดให้ออกว่าต้องโกตยุยละม ง, งคลกับเรื่องของกรรมนี่ก็จะไปเสริมกับตรงแรกที่เราพูดถึงเรื่องนิมิตนะโอ้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้ผู้ฟังพอทราบแล้วเราพูดถึงเรื่องไปบ้างแลสรุปจบตรงนี้ T, เรื่องของเขียด vale, เอด้ยไม่ใช่เรื่องของนิมิตนิมิตนะว่าการบูชาวัตถุกุตุลัมงคลแล้วเราก็มาพูดเชื่อรำมการเชื่อกรมเรามาพูดถึงเรื่องประเด็นอะไรอีกประเด็นเรื่องของอุปทานกับอุปทานกับความความยึดของกษัารณยนะแล้เราก็พูดถึงเรื่อง4ี่ห้าคู่นี้ที่มีเป็นความเมียนกันมาเราต้องปากให้ออกเรื่องของชนทัตหาพูดไปแล้วเรื่องของเบื่อหนเบื่อเสงพูดไปแล้วเรื่องของความมีความอยากพูดไปแล้ว ในเรื่องของการเป็นที่พึ่งความยึดถือพวกนี้ก็พูดไปด้วยเจตนากับการกระทํานี่ก็จะค่อยเสริมในตอนต่อๆไปก็แล้วกันได้ครับควันนี้ก็คิดว่าครบถ้วนอยู่เรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดมากเหมือนทงที่เราจะต้องทําค่อยๆแยกแยะส่วนประกอบออกมาส่วนประกอบบางอย่างเราเห็นชัดเจนในเรื่องของศีลเราเห็นชัดเจนมีการกระทําที่เป็นรูปแบบใช่ไหมแต่เรื่องบางอย่างเรื่องในจิตเนี่ยมันเห็นไม่ชัดเจนมันคลุมเครือ นะครัพริกไทยบางอย่างมันก็เป็นปนกับไอ้นี่เป็นมเมล็ดข้าวบางอย่างออกมามันดูคล้ายๆกันอย่างเงี้ยครับก็ต้องแยกให้ชัดเจนอย่างนี้นะอืครับก็นําว่าได้ประโยชน์มากนะครับเพราะว่าข้อธรรมที่คล้ายๆกันอย่างเงี้ยมักไม่ใคร่มีใครจะพูดถึงนะครับอืมครับไม่ผมไม่ค่อยเจอเหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนที่เจสิบนี้เราก็าจบแค่นี้แหละมาแล้วพงศ์ครับแล้วก็พบกันใหม่ในตอนที่เจ็ดสิบสอตอนหน้าครับกลับนมันการขอบพระคุณพระอาจารย์ภับูลอภิพุนโอ แห่งวัดป่าดอนไนโซ่จังหวัดอุดรธา น, นีครับวสวัสดีสสดท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับ